ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะกันคือเอ่อถ้า จริงๆแล้วก็คือผู้สอนใช่มั้ยเอ่อศาสนาศาสนาก็คือคําสอนนั่นเองมีผู้สอนเท่า นะพระสงฆ์อะไรต่างๆนี้น่ะไม่ไม่ได้เป็นผู้สอน พระสงฆ์เนี่ยดีเอ่อที่คุณที่เราควรจะยกย่องนั่น 6 หน้าที่ว่า ก็คือต้องให้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นล่ะไหนเพราะ เป็นในการที่พระสงฆ์จะมาอ่าบอกต่อนะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ แตกฉานในเรื่องธรรมะสามารถที่จะยกพุทธวจนะได้คล่องแคล่วดีพระพุทธเจ้าก็ยก นะทีนี้ในการใช้คําสอนที่ถูกต้องโดยอรรถะและโดยพยัญชนะซึ่งบางทีฟังแล้วมันก็อาจจะต้อง เอาผู้ฟังเนี่ยได้เกิดประโยชน์เอ่อทีที่เกี่ยวกับเอ่อในบทเนื้อแล้วก็คอมเมนต์ให้ เมื่อเราได้รับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการได้ระดับแรกก็จะมาพูดคุยกันในรายการได้ มองไปเดินเข้ามาแต่ไกลแล้วเห็นละเอ้านั่นมันสุนัขจริงจอกเดินเข้าไปในกระดองแล้วนิ่งอยู่น่ะเป็นพวกขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ ส่วนไหนเจ้าก็เรียกคอยช่องอยู่ด้านฝั่งนักคอย ออกมาจากกระดองเต่าให้ได้ทีนี้เวลาผ่านไปน้ําเต่านี่ไปดมบ้างกระแทกบ้างเห่าบ้างเคียร์บ้าง นะโผล่ออกมาเสร็จมันแน่ไหนทีนี้ตลอดเวลาหนีเต่านี่เค้าก็นิ่งอยู่ มันจะมีช่องทางอยู่ช่องทางที่จะเข้าสู่จิตของเราได้มี 6 ทางนะแล้วจะมีเอ่อมารผู้ใจบาป เปี่ยมเสมือนมารนะที่จะคอยมาปู้ยี้ปู้ยำ อยู่ในกระดองนะการเก็บจิตไว้อยู่ในกระดองเนี่ยพระเจ้าพูดถึงคุณธรรมข้อนี้ที่เรียกว่าการคุ้มครองทวารเช่นเอ่อความ ถ้าเผื่อว่าเราจะเอาตาเนี่ยไปดูอาหารแล้วอยากจะรู้ว่ามันเผ็ดหรือไม่ๆดูโอ้มัน นะหูนี่จะบอกได้เท่าเร 5 เราก็มีอยู่อย่างนี้อินทรีย์ 6 นะคือตาหูจมูกลิ้นกาย นะปิดกะเนี่ยคือคอยคุ้มครองเดี๋ยวเราไปดูก็ หมายความว่าถ้าเราเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่น สิ่งนี้เราไม่ชอบเลยโอยมันเป็นสิ่งที่แย่มากเพราะอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าอกุศลธรรมมันเริ่มเราเริ่ม แต่อย่าให้อกุศลธรรมเราไม่ทันเข้ามาเอ้าอกุศลธรรมมันเข้ามาตอนไหน เสียงเนี่ยจริงๆมันก็คือการสั่นสะเทือนของอากาศ 3 ชิ้นเข้าไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟจริงๆเสียงที่ นะมันก็เป็นแค่กลไกแบ่งแปรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะสวยๆนะเห็นแยก นะท่านในลักษณะของอกุศลธรรมเกิดขึ้นคิดอยากจะขโมยคิดอยากจะดูเอาแยกกระเป๋าออกเป็นชิ้นไหนเป็นอะไรทําจากอะไรแยกออกกระเป๋านะมัน ไม่เกิดขึ้นในจิตได้เกิดขึ้นในจิตได้จะเป็นผู้ที่จุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่ไม่ให้ ได้รับการรักษาอยู่ในกระดองได้รับการรักษาอยู่ในกระดองณหล่อพอไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกน่ะมันไม่ได้